50 languages. 77 77เหตุผลบางประการสามามไมคุณไม่ทานเค้กชิ้นนี้ล่ะคะ ทดิฉันต้องการลดน้ำหนักค่ะนานูสั่นน่ะอาเกาเบกูดิฉันไม่ทานเพราะว่าต้องลดน้ำหนักค่ะนานูสันน่ะอาเกาเบกูอดดิรินดานานู้อดนู้ตินุติละทำไมคุณไม่ดื่มเบียร์คะนี่วูเบียร์นูเย่เกะกุดยุติละ่ะดิฉันต้องขับรถค่ะ น้าหนูยินหนูกา๊าดีอันหนูโวยดิสเบเอกูดิฉันไม่ดื่มเบียร์เพราะว่าต้องขับรถค่ะน้าหนูยินหนูกา๊าดีอันหนูโวยดิสเบเอกูอดดั่รินดานานูเบียร์คุดิยุติ่งละทาไมคุณไม่ดื่มกาแฟคะนีนูาเเกาแฟเเคคุดยุติละมันเย็นแล้วค่ะอดูตันนักิเด ดิฉันไม่ดื่มกาแฟเพราะมันเย็นแล้วค่ะอดูตัณนกิรุดรินดานานูอดันโนคุดิยุตติลล่ะทำไมคุณไม่ดื่มชาคะนิวจะหาเยเคคุดิยุตติลล่ะดิฉันไม่มีน้ำตาลค่ะ น, นันนะเบลีสักการอิลล่ดิฉันไม่ดื่มชาเพราะว่าไม่มีน้ำตาลค่ะ นันน บ, บลีสักการอิ๋ลดิรูดรินดาชะฮะคูดยุติล้วทำไมคุณไม่ทานซุปนี่วูซุปเอเกตินุติละดิฉันไม่ได้สั่งค่ะน้าหนูอนดนูเกลีรลิลล่ะดิฉันไม่ทานซุปเพราะว่าไม่ได้สั่งค่ะนนอดนเลลลล อดเดินดานานุอดันโนที่นุดติลล่าทำไมคุณไม่ทานเนื้อคะนี่วูมังสวัณโนเยเกตินนุดติลล่ดิฉันเป็นมังสวิรัติค่ะนานุสัตย์ยาฮรีดิฉันไม่ทานเนื้อเพราะว่าเป็นมังสวิรัติค่ะนา น, นุสัตย์ยาฮารีอดเดินดานานุมังสวัณโนทินุดติลล่